ผมสามารถมองเห็นจิตใจของผมเองครับมันคิดว่มีวี่แววครับผมรู้เท่ารู้ทันรู้จักอันจริงจรงครับรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงจรงสักบันนึงครับผมจึงบอกโบเซื่อไปทั้งเมดเนี่ยพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่นี่ว่ามันผิดท่าผมกับโบเซื่อพระพุทธเจ้าอีกตื่นได้ขับตอนนี้ครับเป็นทางท่นจิตใจนี้ครับนี่ไปว่าได้ที่พึ่งจริงๆครับนี่จึงสมกับ อาสิปนว่าผมผมว่าอัจฉิพิกก็ได้ครับอัตตาหตอัตโนนาโธสันบัตวาภาษาบ้านเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนวันอันพ่อแม่ก็เคยสอนอย่างสันคูบาอาจารย์เคยสอนอย่างสันว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยจะไปพึ่งผีบไดาพึ่งเทวดาบไดาพึ่งพ่อพึ่งแม่กับพึ่งบไดาที่สุดพึ่งพระพุทธเจ้ากับบอดาครับต้องพึ่งตัวเองจริงๆผมก็ได้ที่พึ่งมือนั่นแหะครับ ได้ทีเพิ่งมาตั้งแต่เมื่อสิบคำตอนแรงครับตอนได้ทีเพิ่งจริงๆเมื่อสิบเอ็ดครับตอนเศร้าครับประมาณตีห้าผมได้ทีเพิ่งแน่นอนที่สุดครับอันเนี้ยไม่มีวี่แววเลยครับอันเนี้ผมรู้จักสภาพความเป็นอยู่ของผมเองครับอันนี้แน่คันซเว้าอย่างหนึ่งครผมรู้จักสภาพความเป็นอยู่ของพระพิจ้ารพระพิจ้าอยู่ที่นี้ว่าสันผมเห็นพระพิจ้าจริงๆครับผมเดินไปหาพระพเจ้าจริงๆ โบมัเอาพระประเจ้าเป็นที่พึง่งเนี่ยครับผมเข้าไปหาพระประเจ้าถท่นครับเฮาว่าพุทธังสารณังัจามิฆ่าพระเจ้าถือเอาพ ร, พระประเจ้าเป็นที่พึง่งเป็นที่อาศัยหรือเป็นสารณะเป็นอย่างายเรื่องครับกำจัดทั้งแต่นั้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้แหละครับคือจิตถึงเป็นอั่งที่คนเมื่อตายหมดลมหายใจพุนละครับจริงๆเรื่องนี้ครับผมรู้จักจริงๆ ผมไปติดตำํตำลักตําลาคือมีคนถามผมหลายคนผมก็ค้านแก้บางค น, น่ะงานอันนั้นงานอันนี้งานสิบหกสิบแปดงานน้อยงานพันแฝงซางว่าโอ้ยแม่ามาว่าวเห็นอย่างนออัง้นมันกินเป็นบอสวันนี้อยากถามเรื่องผมกินอีกตื้มเหมนเนี่ยเมื่อเพิ่นเคยเห็นานามันบอสกินฟางเป็นบอเห็นเต้าัู้เต้ควยายแล้วกินฟางกินเฟืองน่ะบ้านผมเอ็นเฟืองครับมีเต้าัู้เต้ควายกินเฟืองคนไม่ใช่กินอย่างกินเฟือง เนื้อก็อาศัยฟางอาศัยเฟืองนะ่ะเป็นเป็นเข้าขึ้นมาอีกคือพันกินข้าวเปือกเป็นบลไทยที่กินข้าวเปือกก็เห็นแต่หมูแต่เป็ดแต่ไก่แล้วกินข้าวเปือกก็มาก็กินเป็นมาบ้านผมกินข้าวเปือกก็ไม่ไปกินยังไงทางสันออืตัวมาครับมาเขาขี่หลังมันนล้ตีมันแลน่ะ น, นะครับออืตัวมากินเป็นผมเคยเรียงมาครับออืกินเป็นข้าวเปลือกก็ แล้วบัดนี้เขาเอาเขาเปลือกไปตำเป็นข้าวสารบัดเนี่ยแล้วกินข้าวสารเป็นบล็อกเอากินบ่็เป็นแล้วการกินเพื่อนเป็นฟกว่าสันบ้านผมกินข้าวสารเป็นฟกว่าสันแต่ตัวมดก็กินข้าวสารครับะกินข้าวสารเป็นบล็กินบ่็เป็นคนต้องกินข้าวสุกแมะเฮาอ่ะที่ไปกินอย่างสั้นกินข้าวสุกมือนว่าเป็นพิษว่าเป็นภัยครับกินก็เรามีแหงเทะครับนี่แหละการศึกษาเราเรียนถือศาสนาพุทธเนี่ยให้เขาเลือกอย่างสั้น ขันไปที้มเขาเปลือกแล้วเทจังไดบะเนียก้าบุมีเขาปลูกเพชรนาปีนาแล้วครับุญมีเสื่อมันแล้วอันมันเป็นสมมุติครับอันอันเขาเปลือกมันนะครับมันสมมุติซื่อๆนี่นะเฮ็ดให้ลูกให้หลานเป็นประเพณีเอามาเบิ่งซื่อๆนี่นะครับผมโหจักกังสรรจิงๆครับอันนี้ดังนั้นเมื่อนี่เห่าต้องเป็นข้าวทีึ่งเนี่ครับเป็นข้าวเปลือกอ้วนๆเต็ม เอาไปปลูกมันออกงายเอาไปใส่บดมันซุ้มันเย็นมันออกนอมันแตกหาออกมางายคันข้าเปลือกกระตัมซางเข้าเจ้าเข้าเหนียวก็ตามเป็นมืออ้วนเต็มๆคันเอาไว้ในยุ่งในสางคุณบ่มีโอกาสบ่มีเวลาที่ได้ป่งคันคันหลังคาโบหัวบโป่งได้ครับคันหลังคาหัวฝนตกลงมาแท้จีแตกหักจิโป่งเป็นนอขึ้นมาได้อยู่ในยุงพุ่นน่ะในเล่าในสางแต่หักบบเจริญครับมันโบได้อากาศ เอามาเพาะกันซะครับเอาไม่เข้าเขาเอามาเพาะเพาะเสบบดเย็นๆมันว้นมันซุมมันทีออกหนอง่ายมันที่เป็นต้นเป็นลําขึ้นมาง่ายครับให้เขาได้กินมันจริงๆนี่ครับคันถ้าว่าบวอเอาไปเพาะก็เอาไปเข้าในการโรงงานครับเมื่อเน่เอาเรื่องเม็ดข้าวอ้วนข้าเต็มผู้ถึเป็นเม็ดข้าวอ้นเข้าเต็มเอาไปเพาะแต่บดมันซุมกับที่ออกหน่องแท้ๆครับถ้าเป็นเม็ดข้าวอ้นเข้าเต็มเอาไปเข้าโรงงาน ไปเข้าโรงสี่สี่เข้านะครับถ้าเป็นเม็ดเข้าใดเม็ดใดมันดีมันบวกแก่เกินไปเออมันบวกแข็งเกินไปแล้วมันบวกอ่อนเกินไปนั้นตากแบดได้สัดได้ส่วนนีเด้อเอาไปเข้าโรงงานมันเป็นข้าวทีหนึงเพื่อนวะขันข้าวทีหนึงนะ่งเน่ยอาไปยัด ก, กระสอบขายราคากระแพงคันเอามากินมันกับคนมัะข้าวทีห น, นึ่งเนี่ยครับเพื่อนว่ามันแซบวนันผู้ใดมีสติเข้มแข็งแหลมคมเป็นข้าวทีหนึง่ง คนผู้ใดบบมีสติตั้งใจฟังได้น้อยถึงจะเป็นเม็ดข้าอ้วนข้าเต็มเอาไปเข้าลงสีมานจะหักเครื่องออกมาเป็นเข้าทีสองหันถ้าหาว่าผู้ใดโบตั้งใจฟังลุดโกมันอีตรื้เอาไปเข้าลงสีลงสีบทออกมามามจะเป็นเข้าทีสามนื่เป็นเข้าวปลายเป็นหำเป็นแก่ไปตามเรื่องนั่นแหละครับอันฟังผมวาอยู่นี่ครับ ดังนั้นให้พวกเราตั้งใจฟังและตั้งใจปฏิบัติผู้ใดมีสติปัญญาย่างแหลมคมจริงๆนั้นเป็นเข้าทีหนึ่งผู้ใดฟังไปสั้นๆนะตามเรื่องนะ น, นันก็เป็นขี้แกบกระไดเป็นหำกระไดขันเป็นแกบเอาไปให้ยังครับเอาไปเผาทานเอาไปแส้นนานผักบ้านผมผู้ใดเป็นขี้แกบก็ต้องไปเอาไปเผาทานได้ประโยชน์นสั้นครับขันเป็นหำออกมาในสัปอาไปเรียงไกครับ เอาไปให้ป่ากินได้ประโยชน์ไปงั้นสั้นแต่คนก็กินได้ครับกินหำเนี่ยมันอึดมันยากมาไปกินหำได้กินที่แกบเพิ่งว่ากันคนไปนานๆในกี่ยวเขาให้กินทีเดียวกินบ่ได้ต้องเอามาต้มเอาน้ําที่แกบมาให้กินสะกอนอันสัตว์วาอันนี้พ่อแม่วาให้ฟังครับใครจะกินน้ําที่แกบก็กินใครจะกินหำก็กินใครจะกินข้าไปก็กินใครจะกินเข้าทีสามทีสองทีหนึ่งก็แล้วแต่ผู้ใดกีเป็นไปละครับมันห้ามกันบ่ได้ของในนี้ อันนี้แหละผมเข้าใจเรื่องสภาพพวมเป็นยู่หองพระบริเจ้าอาการเกิดดับของพระบริเจ้าครับบมเมนเกิดที่หั่นมาดับที่นี้เกิดที่หั่นมาดับที่นี้บ่าแมนครับอาจารย์ทั้งหลายผมกระยกยองเพลินอยู่ครับเป็นว่าหายใจเข้ามันเกิดหายใจออกมันดับพลิกมือมันเกิดคว่ำลงมันดับคิดมันเกิดหยุดคิดมันดับแมนข่มปลูอันนั้นเพราะจำมาเนี่ครับอันนั้น บ่ได้ออกนอกจากผมคิดท่านได้ครับบ่ได้ออกนอกตำราอันนั้นเนี่ยบ่แม่ได้แทร่ได้ครับอันรับรองลอยเปอร์เบ่แม่ไทยสิว่าแม่กระําสร้างผู้ใดแล้วเวที่แต่เงึดไปงอ้ยอย่างผมวาวอย่างสั่นกระจาได้สนุ่อาการเกิดดับที่พระพเจ้าพนตัดสินใจไววไว้วนั้นบ่เม็นอย่างท่านครับเราเคยได้ยินบ่อันนี้ผมได้ยินเพนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสู้ฟังว่า โยจะวัจะตังสิเวอปัสสังอุทะยัปพยังมาัสนเอกาหังสีวิตังเสยโยปัสสตูอุทะยัปพยังมาสรเพันวาสผลวสู้ฝังว่าอาการเกิดดับอันนี้ผลว่าคนบวชมาร้อยพรรษาครับร้อยพรรษาผู้รบวยเปพรรษาเดียวคือผมถามวานนี้ดในแปดพรรษาเก้าพรรษาโบเมนอนันต์ได้ครับร้อยพรรษาปุ่นณหะครับบวชมาตั้งแตน้อยผลว่ามีอายุร้อยปีพวกแม่อย่างจีได้ร้อยพรรษาเมนบด ถ้าหากบวชบวชได้รู้อาการเกิดดับบวได้สัมผัสอาการเกิดดับการบวชของผู้หันน่ะเป็นหมั่นครบับว่ามีประโยชน์กว่าท่นอันนี้ผมซึ้งใจเลยทีครับตอนนี้ครับบัด น, นี้บุคคลที่มาบวชมือเดียวนั้นนะเอามีดปกเส้หัว น, นี่ม่กนปกเส้หัวแลแว้วแผลออกไปช่วยช่วยออกไปแล้วก็เลยรู้จักอาการเกิดดับก็มาบวช ด, ดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่บวชลอยปีนะครับลอยทันสารนะครับเพล่นหวานของท่น บัด น, นี้คนเกิดมามีอายุเป็นยุลอยู่ปีครับบัด น, นี้ขันบบเห็นสภาพหรือภาวะข่วมเป็นยุ ข, ของอาการเกิดดับชีวิตของพวานเป็นมันอีกเติมครับบบมีประโยชน์อันใดเลยครับชีวิตนั้เนี่ยยุด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกไปมาด้วยทุกชีวิตนั้นเป็นทุกชีวิตนั้นบบมีประโยชน์ครับโบมีคา้าโบมีราคาไล่ประโยชน์วะท่นบัดนี้บุคคลที่เกิดมามือเดียวหนึ่งบัดเนี้ เลดมาหูจักสภาพความเป็นอยู่ของอาการเกิดดับนั้นดีกลัวมีประโยชน์กลัวอันผู้มีอายุเป็นอยู่ร้อยวันพันปีนะครับผู้เกิดมาเมื่อเดียวหนึง่งลู่อาการเกิดดับเนี่ยอันเนกาเอามาแสกกันอีกตืเทันหนึ่งครับคนเกิดมาเมื่อเดียวมากินเฮ็ดอย่างเป็นมันพริกขิงผู้เดียวกรบโบได้ํานะครับกินเคาะกรบโบเป็นคนเกิดมาเมื่อเดียวอะ่ะพริกขิงก็ะโ บ, บเป็นนุ่งเสือ้อนุ่งผ้าโบาเป็นไปใส่มาใส่บได้ครับ อันเฮามาฟังผมเว้าอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละครับบมเป็นผมเป็นอวดดีได้ครับเนี่ยครับเอาความจริงมาเว่าวสู้กันฟังได้เนี่ยอันนี้ดี๋เกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจเกิดความสำนึกรู้แจ้งชัดขึ้นภายในจิตใจไปว่าเขาเกิดครับอันเกิดเมื่อเดือนโอ๋ยหลอดทองแม่มาเ็ออย่างเป้นครับผมเข้าใจอย่างสันจริงๆครับอันนี้อันทํามาบวชร้อยวันพันปีนก็คือกันความเดียวกันครับ อันนี้แหละหน้าคิดหน้าเอามาเว้าสู้กันฟังเป็นอย่างเ้าๆเรื่องนี้ว้าวโได้มันผิดครูครับเพื่อนว่ากนเว้าแล้วญาติโยมมาปฏิบัติธรรมะูลธรรมะถึงอาการเกิดดับหรือถึงที่สุดของทุกบ่มีทุกแล้วเป็นเทฆละวาตเป็นเทญญาติโยมอยู่บวกเกินเจ็ดมือตา ย, ยวันสัมพันว่าอันนี้เพื่อนว่ายังสั่นแท้ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนว่าให้ฟังผมก็จําได้เป็นบางบทบางตอนครับ เอาไม่เว้าจะไหนอย่างสันครับแล้วคนมันพูดได้มื่อเกินเจ็ดมือตายเนี่ยวันทิศวันจันทร์วันอังคารพูดประหัดสุกซ้สำตายหมุนอยู่ดีหมดืดแท้ๆครับ <c oughs> อย่าเว้าแล้วก็บอห้ามเด็ดขาดดอกครับผมเทบวเว้าเดอเว้าสันครับผมเว้าแท้ๆตั้งแต่หันมาตั้งแต่มืดปีปีปีสองพันห้าร้อยพุ่นแหละครับผมบเว้าแต่มืดสิบเอ็ดคำผมเว้ามาทั้งเดี๋ยวนี้นะครับผมเว้าแบบนี้ครับ ผมโบเสื้ออันตำลาว่าผมใส่ผมโบเสื้อแท้พ่อพรเจ้าว้าผมใส่ผมกับโบเสื้อพ่อแม่ว่าผมกับโบเสื้อโบเสื้อแล้วผมโบจริงยี่เสื้อให้ยังมันเว่ามาจากไหนอย่างสันกับผมโบเสื้อแท้ๆครับผมรู้ธรรมะผมเป็นโยมอยู่สองปีกรัวป้ตายครับบ้ตายแท้ตายก็ตำสร้างแล้วผมโบได้ได้งอผมทดลองมาหมดครับเรื่องเพลนี้มันของจริงแท้ได้ครับเนี่ยนี่แหละผมจริงว่าบย่านอย่างทั้งหมด ผมได้ทีพึ่งอันดีแท้ๆครับอันนี้แหละเพื่อนมาเอาธรรมเป็นทีพึ่งแท้ๆเ่ยค่ะนี่เอาพระพระเจ้ามาเป็นทีพึ่งแท้ๆเอาพระธรรมมาเป็นทีพึ่งแท้ๆเอาพระสงฆ์มาเป็นทีพึ่งแท้ๆพึ่งได้จริงๆครับพึ่งแล้เพื่นเฮตให้บอบร์แมนพึ่งแล้วเพื่นเพ่นเฮนาให้บสบแมนพึ่งแล้เพื่นเพื่นเพื่นนุ่งเสื้อนุ่งผ้าให้บอบอแมนพึ่งได้พอมันบททุกเนี่ยครับ เพ่งได้พอผมโกดความโลภคมมันบวกเข้ามาเนี่ยเพิ่งได้พรมันบวมืดเนี่ยครับเพิ่งได้เหมือนบ่มมีหนักอกหนักใจเนี่ยครับเพิ่งได้อันนี้นี่นะเพิ่งตอนมันบวมีทุกเนี่ยครับว้ยมันบวมีความจีวาครับของมันวาเอาซื้อซื้อมันสมมุติเว้าครับอันนี้แหละจึงว่าให้รู้จักสมมุติบัญญัติปารมัตบัญญัติอัถบัญญัติอริยบัญญัติบัญญัติที่ข้อนี้เราต้องรู้จักจริงๆครับ ทรซึ้งเข้าไปถึงจิตใจ <c oughs> สำนึกจริงๆครับถ้าหาเอาว่าปฏิบัติเรื่องนี้อาจีโลก็ได้ครับหรือปฏิบัติเรื่องนี้อาจจีบุโลก็ได้ครับเพราะนิสัยจริตของคนโบคือกันผมเทม่มาให้ตังซีจังหูครับผมก็เลยเว่าเรื่องผมมีเรื่องพุทโธธรรมโม阿拉หงังทองยุบ น, นับหนึ่งสองสามผมโบคอยเว่าวครับ พ่อผมเฮ็ดมาแล้วมันบูฮู้ครับผมมาฮู้ตอนผมเฮ็ดจังหวะพีนาะผมก็เอาเรื่องจังหวะนี่มาเวอลเสนอวอกผมมีเงินร้อยบาทนี่ผมมันมีมาตั้งเมือ่อไหรผมบูฮู้จักผมก็วอลเต้เต้เงินร้อยบาทนี่แหละครับใบบาทไปส่งไดนสันผมบูฮู้จักแล้วนั่ะก็มีค่ามีคุณเท่ากันเน่ยครับคันไปร้อยไปส่งผมบูฮู้จักโรดสัสซีมันแดงแดงผมก็บวายวารครับมีเลขศูนย์สองโตมีเลขหนึ่งใส่หัวหน้ามันจกัเอิ้นว่าลอยบาทสันเนี่ย เลขสูตนั้นมีคาบครับขันจีว้ากับผมนี่มันว่ไปแนวหนึ่งครับเลขสูนั้นมีคาบเเอาเอาสูตนั้นไปซื้อบุงไปยังซื้อของอ่ะเฮ็ดเอาเลขสูตรไปซื้อเขาจีเอาบอลเขากับบอลเอาแล้วครับขันบอมีเลขหนึ่งขาเจ้ากับบอลเป็นเลขร้อยแล้วมีเ็ขเลขลอยเลขเลขสูตสามตัวอุมลุมให้มองดูใบแดงๆนั่เอาไปซื้อบุงเ่ราะขาเจ้าจีว่าใบลอยน้ำขาเขาวเจ้ากับบอลว่าไปร้อยแล้วครับขันให้เลขหนึ่งเสด้เหมือนขาเจ้าเอึ้นใบ้อยขึ้นพรมบาทดลดมันเป็นอยงนั้นได้ครับ มันมีค่าอยู่กับเลขตัวใดกับมู่ก็ต้องพิจารณาเอาเองเนะครับมีชีวิตอยู่นี่หลายชีวิตได้ดีครับดังนั้นธรรมะนั่นจึงบุกขึ้นอยู่กับการเวลาบุกขึ้นอยู่กับไผ่ทั้งเมดอยู่กับบุคคลผู้ที่จิตใจเข้มแข็งจึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี่เป็นผู้พัฒนาตัางหากได้ครับขันจีว่าเรื่องนี้คนเฮาเพิร์นวานั้นเพิรนว่าเอินว่าลีงว่าท่นเพิร์นวานะมาจากเลิงว่าท่น ลีงจุนึ่งเผาเนื้มัอนโตน้อยไอ้สัตวลิงจุนึ่งเผาเนื้อเมัอนโต ใ, นใหญ่ไอ้สัตเป็นว่าอันนี้เผาน้อยนําพัฒนาโบขึ้นไอ้สัตนเผาใหญ่นี่พัฒนาขึ้นก็เลยพัฒนามาให้มันเป็นคนไอ้สัตนเจนได้เป็นพระพุทธเจ้าตัดสรูไปแล้วครับอันนั้นอันนั้นเป็นโคมวอลอันคนนี่แล้วครับมันพัฒนาได้น่ะอันเลี้ยงนั่นจีเป็นคนโบเป็นคนกระ บ, บุหัวจักแล้วอกระบุหัวจักครับคอนเสิว้าตามประวัติศาสตร์ไปเบิงเ้งแทนที่โลกดูครับ ที่ดนี่มันอยู่ใส่หุ้มันงคงจะมีค้างมีเลี้ยงทุกที่ทุกแดนนั่นว่าครับอันนั้นมันเว้ามาเต้ซี่ใดหุห้นหอบบุู้จักได้ครับดังนั้นการตัดรูของพระเจ้าเนมบุได้กาหนดกฎเกณฑ์บ่าจากัดตันวันนะวิสาขวามรูตะคุนเลียนหนังสือได้กับปฏิบัติได้เลียนหนังสือบ่ปฏิบัติได้กับปฏิบัติได้คือกันบ่รูเขียนหนังสือเขียนหนังสือบ่เป็นกับปฏิบัติได้คือกันครับแต่ขอให้มีสติจะเป็นคนบ้ากับแล้วกัน อันบ้าอันแบบแถวเนี่ยบ้าอันนี้แทบขาปฏิบัติได้อยู่เด้อครับอันบ้าแก้เสื้อแก้ผ้าบ้าอะไรตีคนนั้นบ่ปฏิบัติได้เพราะมันบ่มีสติมันจิตตีหัวกู้ไปสอนสมพลและแม่ผู้หันอือันบ้าแบบแถานั่งเจาะฟกเจ๊กเป๊กอยู่เนี่ยรับรองครับรับรองแท้ๆผมผู้ที่อื่นจีว่าบุรับรองก็ทํานซ่าเนี่ผมรับรองครับเอ้าปฏิบัติจริงๆเถอะแต่ให้อยู่ไกลๆกันคันว่าอยู่ใกลจีบมานั่งอยู่กอดกันอยู่เซโบแมนครับอันนั้น แต่ว่าให้เห็นให้รู้มันเราให้กันฟังนี่แหละอยู่ใกล้แบบนี้ครับรับรองอย่างนานที่สุดบว่ากับตํานานและมือเน็ตสามปีครับสามปีย่างนานที่สุดจะ่สามปีปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันครับแล้วก็สามปีที่มีจากมือจากวันทําให้มันติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นี่แหละครับผมทํามาแล้วอันนี้ครับผมหูจักจังซี่ ผมจึงก้ายืนยันรับรองคําพูดของผมจังซี่ครับรับรองได้จริงๆครับอย่างนานปีเอ อ, อย่างนานย่างกลางปีนึงครับย่างนานสามปีอย่างกลางปีนึงสามรอยหกสิบห้าวันอย่างไวที่สุดนับตั้งแต่มือหนึ่งถึงเก้าสิบมือพันสาหนึ่งครับเอา ท, เทํำเถอะรับรองว่าทุกเมจิลดน้อยลงไปจริงๆครับผมโบเป็นพระพุทธเจ้าและโบเป็นพระราหารันโบเป็นอย่าง เป็นยังก็ได้สมมุติเว้าเอาเนี่ยครับนพะฟินมาสมมุติให้หงูจักสมมุติอย่างไรยาไปติดสมมุติอันนี้ก็ขออภัยจากน้อยครับเขามาอยู่ปริวัติศักดก็สมมุติอีกตื้มนี่อันนี้ก็นเลยครับมันอยู่ในก้อนนี่นะมันบูออกจากตำนาได้ที่นะ่มันเป็นอย่างหููมันบูหงูจักนะครับอันนี้เพราะหยังยกเพาะบูหงูจักมันแล้วครับจีว่าจอางไหนอันมองอย่างเสีย ก็ย่ในกงเนี่ยนะออกนอกกงโบได้แล้วครับอันมาอยู่ปริวาต์สักมีความหมายวะครับเพิ่นอยากให้เฮามาเจริญให้มันออกจากอาบัตได้เลยโย้ขันนางยู่ของเก่ามันจะออกได้จากเธอยังไหนผมเป็นเจ้าหัวหนุ่มครับอันนี้ไปบินทบาทมันก็มาสัปตาจึงเขาแล้วก็สัปตาปงอาบัตเมื่อแรงก็สัปตาปงไม่ปงยังใดกระโดดกระดีเอาผมก็บุ้มหุจากข่าวนั้นครับเอาคลองผ้าหนาวที่ตายกลเป็นบโยนะโบได้อัน อาพามาบีงครับไปตบปุกๆมาปุกผ้าเน่ยเอา้าพายมาจี้าดเป็นบอผมก็นับขึ้นบวออกอย่างว่าหนาวสั้นวอกๆอกอยู่นะครับนางน่งยองยอครับผ้ามาวางใส่ตรงแขนเนี่ยหนาวยุกกระวอมานุ่มมาโฮบบอหนุ่งมาบีงไปเป็นนกบีอย่างจะมาจีมาซอยบีอย่างสันอย่างว่ามาผมก็งึดอยู่อันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สอนนี่ครับแม่สั่งไหนหู้นี่อย่างว่าอืม อันโป่งอบับนั่นคือเมา่อทตกออกปูผู้ปกปักคือหัววางของนี่นะเพื่อนรอสันน่ม่แมนเนียครับแมนยูครับแมนพ่อขนผู้ฮั่นวามาซื้อซื้อคันจีวากันตรงตรงกัว่าแมนพ่อโง่ฮั่นแล้วโง่ได้อย่างเหตุสันครับบงหัจักได้อย่างเหตุคันสลัดได้จีเหตุอย่าโยกกระเซาสรบบอับดับเพื่นว่ามันบูดีก็ะเซาสินนั้นนี่ยอบับมันตกแล้วบัดนี้กินข้าวบัดเนี่ยยาส้บุมามับขับยาเห็ดมันไม่ข้าตกคันไม่ข้าตกน้าออดน้ำแกงเหี้ยเลียดราดแต่บนน เจ้าหัวพอองค์นี้บ่กเจ้าหัวนมองนี้กิ น, ออนข้าวบ่มีกิริยามารยาทมันตกมันเฮียย่่าเขาเลิกเริ่มกระตกแล้ว อ, อบับัตดครมีเรื่องนี้ครับเพราะฮันสิซอนี่นะครับคันสัปปะตะอาปติโยโยว่าจากลอยวันพันปีกว่าวไปเถอะครับจึงเข า, ย, ายังตกอยู่คือเก่ามันจิตตกบ่อาบัตเลยย่้าเฮคือเก่ามันก็คือเก่ามันก็จิ 9, ก 9, กตกจากเถื่อนี่ครับลองเลิกบุญแม่เลิกขมขั่วรกระมดลดอบาบัคตครับอันนี้นะครับอาบัตผมบ่าง่ายๆครับมาอยู่ปริวัตศักดิ์กรรมนี่คือกันครับอยากค้นจากอาบัติสังขาครับ ออาอาบัตสังคติที่เสกกม่อถึงอยู่ในโกงนั่นนะครับหันอยู่ในโกงอยู่ในธถ้ำอย่างที่มืดเนี่ยโยมื่อเขาอาบัตชุกะอยู่อย่างสันเลยครับเป็นอยู่สันมันเกาะมันคล้องอยู่อย่งสันเลยครับไปใส่มาใส่มันบ่มีออกจากนอกโกงอันนั้นใดนี่แหละครับอันคําพูดของผมมันไปแวกแนวครับอย่างวะมันอยู่บรรยุทธ์ในกบมันบรรยู่ในวงคันเวาวไปมันมันเป็นยังใงหูครับผมนึกบ้าว่ะหมูนี่ไม่ใช่ตระหนักทางทีลเนาะก็ดีนะครับ ดีแล้วสาธุนําแล้วครับเป็นเหตุเรงเสียดได้ขันมานั่งอยู่ซื่อๆนั่นบุดีปันไายครับก็ดีอยู่อย่างนึงนั่งอยู่ซื่อบุได้ไปด่าผู้นั้นบุได้ไปด่าผู้นี้บุาา ไ, ได้ดไปป้อยไปแซงเขาก็ดีแล้วดีก็เอนไปป้อยไปแซงไปด่าคนนั้นนี่ครับมันดีไปกว่าปัญญา น, นีครับเพื่อนยังว่าพอแมฆขันปฏิบัติแล้วอะ่ะคันบ่ไปฏิบัติโอ้ยเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็เป็นอยู่ขันแหละครับกระปเป็นยัง้ง็ดีผมบุได้ตําหนิเพื่อนดอกอันนั้นนะ ก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นทั้งหลานี่ยก็เป็นเจ้าหัวเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอยู่สั้นแล้วคิดว่าอย่างไรมันม่วมีขีดมีขั้นอันนี้ครับมันมีขีดมีขั้นหายกย่องให้ตันซื่อซื่ออันนี้แหละเพื่นว่าปุถุชนตําหนิลอยคนบัณฑิตสนัสน์คนเดียวสู้บัณฑิตสนัสน์คนเดียวไม่ได้บัดนี้บุตรทุชนปุถุชนครับสนัสนร้อยคนบัณฑิตตําหนิคนเดียว สู้บัณฑิตไม่ได้เฮาญาสุให้ปุถุชนสนเสริญครับให้บัณฑิตให้นักป่าสนาเสริญจริงๆครับแล้วเฮาญาสุให้บุรุชนต่ําเอออยาให้นักป่าตําหนี่ครับให้ปุรุชนตําหนี่อันนี้เฮาจะเอาตั้งแต่ผู้อื่นยกยองให้ผุนนะเฮาบยยกยองตัวเองจากเทธอหนะโ บ, บพัฒนาตัวเองจากเทธอนนะให้แต่ผู้อื่นพุนนะโอ้ยท่านเนี่ยดีแล้ว ยกยองให้ขีดให้ขั้นกันไปทังตันครับอันแบบผมว่าเนี่มันพวกมีเครื่องหมายด้วยครับพวกคือเครื่องหมายครูพวกคือเครื่องหมายผู้ใหญ่บ้านกำนันบวกคือเครื่องหมายตำรวจทหารพวกมีเครื่องหมายแบบนั้นครับผม ว, ว่าอยู่นี่มูเพิ่นเห็นเครื่องหมา ย, ย, ยวา่าพวมีแล้วเนาะที่มีเครื่องหมายเนก็มีแต่บี่ยงผ้ากับผมพผ้าจีวรนี่แหละอยู่นี่เครื่องหมายมันก็แทะหัวหนุน่งผ้าเหลืองในเท่านี้แหละเครื่องหมายอันนั้นมันอยู่ในจิตใจสํานึกคุณครับ มันมีเครื่องหมายมันเป็นปิว้วเป็นแมงส่วนไหนผมบุฮหุจักครับบุ ม, มีอังกิวาครับนี่เครื่องหมายพระพุทธเจ้าคุณสอนไม่ดีแล้วครับเขาจะไปติดเพียงแค่ตำราปฐมมชานทูติญาชานตติจะตุปัญจพระนักสร้างเว้าวปฐมมชานหมายถึงอันไหนถามเขาเบอรแม่จนจอยอ ว, วับตั้งแต่ม่มีวิตกวิจารปีตสุเอเข้ า, าโย้ววิจังไหนวอวนึงกูวาวเด็กน้อยมึงก้วาวได้หรือบวว่ไมไเี้เอา กรหม่ถึงวิตกวิจารกระหม่ ถ, ถึงตัวปีตีตัวจินตญาณนั่นแหละครับประทมแปลว่ารู้ขั้นแรกอันรู้รูปนามนี่โบมแมนนี่ครับฉันปัญญาส่วนกระรูท้ทีแรกผมเข้าใจว่าผมรู้รูปนามผมได้ประทมมาสานนั่นโบแมนครับบัณมางหูจักสีโบมแมนแท้จิตใจเปี่ยนพี่นะครับจิตใจเปี่ยนจาะขุมเป็นทุกขุมหนักพี่นะครับเปี่ยนจะนี่ก็เปียนกรแมนบบเปี่ยนกร แ, แมนครับ โทสะโมหะโลภะรู้จักสมมุติรู้จักวัตถุรู้จักปรมาทูรู้จักอาการรู้จักสมุตฐานรู้จักอันนี้เนี่ยเนี่ยรู้จักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นอันนี้เนี่ยครับนี่แหละปฐมสารอันที่ผมบอกอยู่ในนี่ยครับทุติาสารไม่เถิงทำลายกิเลสตัณหาอุปทานกันโบยิบโบยือที่นะครับอันนี้พี่ได้มันหมดไปมันจืดไปจืดไปคือเอาสัมฤทธิ์ไปจุก นามเนี่ย บ, บีบนามมันออกมดหลดครับเนี่ยรับรองได้ร้อยเปอร์เซนเอาสองรอยก็รับได้ครับบัดเนี่ยอรับรองได้จริงๆครับบัดเนี่ยถตถาคตยานหมายถึงคนมีสินเป็นปกติพี่วะครับโบรเมนอันปานาะอธินาสินสองร้อยสิลห้าร้อยคือเฮาว่ากับยู่นี่ได้ครับโบรเมนอันนี้เด้ครับสินจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่งางยาบสมาธิจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดมันหู้จักที่สุดของทุกแผลใดครับ อันคำสอนอันนั้นมันดีอยู่ในคำสอนอันนั้นแล้วเอาไปเว้าอยู่ในคำสอนอันนั้นเขาบกปฏิบัติจะเกื่อโอยมันก็แลว้วก็ ซ, ซ, ซื้อนี่แล้วครับอ <c oughs> ขันเว้าจยังทีกับบางคนอวยปัญจิตสาตายไว้ว่าวตั้งกลุ่มเขา้ากะจีวางฮู้กะจีก็จําเป็นและเม็นบ่อนอ่ะเพราะมันจะได้นี่ไอ้เมื่อนี่กะว่าวให้ฟัง ซ, ซื้ออันนี้นี่แหละอยากเป็นการมาปุกเราเป้าเตือนกันให้พวกเขาเนี่ยได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติ ปฏิบัติตามสติปัฏฐานซีรองเบิงจริงๆถ้าหากว่ามันโบหูเขาจะซูนิ่งนอนใจเพราะว่าชีวิตของเขามันหยับเข้าไปหาที่ตายมันหยับเข้าไปหาที่ตายไม่ออกเพราะออกก็คือกันขันวาวก็จะไปยกให้แต่เจ้าหัวไอจูดอามาสอนเขาก็ไปเป็นเพื่อนบบไปก็ไปเป็นไปฟังเพื่อแล้วนํามาปฏิบัติอยู่บ้านอยู่เหือนเขาผู้ยิงกระลุผู้สายกระลุขันจีวากขันจีวาวบ้านผมก็ได้ก็ไม่ออกก็จะไปเก็บผักอยู่กระลุ อันนี้ความจริงอันนี้ครับไม่ออกไม่เทียนอ่าถือว่าเป็นเมียก็ได้ครับคราวนั้นเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่นํากันเราไปเก็บผักค่อยๆ อ, อย่างเป็นทางซันดอนซันเราอะอก็ดีแล้ววะ่ะบางคนไปเกลือหมูข้าเจ้าก็เป็นบางคนล้างถ้วยล้างจานข้าเจ้าก็เป็นครับจึงว่ามันเป็นเราโบต้องไปถามผู้ใดแล้วเพราะมันหูวจักเขาเองเนียครับคล้ายๆคือถอนหัวออกจากผมเออผมหลงเมื่อกี้เนี่ย คล้าๆคือทอนผมถอนผมเอาจากบนหัวเอาคือคนหัวโลนนี่นะครับมันไม่มีผมจากเส้นทอนออกหมดเลยนะครับมันจืดจิตมัดนี่ครับคอนที่เป็นอาการเกิดดับก็จะรู้จากอาการเกิดดับนี่ครับปิวุัดรู้จักมันตกออกปกเป็กปกเป็กออกคืออันเขาเอาน็อตมันมีเกี่ยวหวานกับเขาเอาเหล็กสบายผูอันเกลียวตัวนี้ก็บถูแวแล้วนะแล้วก็ส่วนเขากันเอาออกปอกออกซี่มันโบจูบกันครับ มันเป็นอย่างสั้นยุ่ตลอดเวลามาเลยครับนี่อาการเกิดดับที่พระพุตรเจ้าท่านสอนเอาไว้เดนนะครับมันบุจู้เป็นผู้บีเกี่ยวจู้เข้าหากันแล้วคนก็เลยมาว่าอัยตนะภายนอกภายในตาเหตุยาจู้ให้มันว่างามว่าดีหูฟังให้ว่ามโนเหมันบ่มน์มันกรแม่นอเนะแต่มันเป็นโดยธรรมชาติมันเป็นจังสันครับมันเป็นจังสันแล้วจังว่าธรรมะที่ทําให้พระพุตรเจ้าเป็นพระพุตรเจ้ามันมีอยู่แล้วกันยังไง เขาเหตุอย่างยูอย่งว่าปันญิกิศอกหาแต่กินนั่งอัลลอซีมันกิได้จากเทือบบอกอันที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเน่ะเพิ่งกว่าสุขผนี่ทาเบอร์แมมูนีนั่งอยู่เนี่ยผู้สิกออกไปแล้วก็ทาเบอร์เมว่ามันมีก้อนพระพุทธเจ้ากันอย่างว่าขันมันมีก้อนก็ทีไปเห็ุงาเหตุงาก็ะซอกเอามันพบมันเห็นตโนะเห็นยุ้ไซส์เพิ่งกามีอยู่กล้องศอกยาวานาคืบนี้มีพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างวะสันแล้วขันไป็บอให้ฟังเลย บ่แมนดอกบ้าอันนี้สักบอกเอ้ากะบ้าเนี่บ้าคนละบ้ากะจีวาจังไหนเจ้ากะบ้าอันหนึ่งข้กะบ้าอันหนึ่งสันวะมันก็เป็นอย่างสันวะเออเดมันหกโมงแล้วครับเนี่ยยังห้านาทีกะเห็นวัดสมควรแล้วเนาะจีได้เก็บวัดกันเท่าที่ผมได้ให้ข้อคิดความิดผมเดินจมก้มครับ มีคนคล้ายๆคือมีคนมาผักดันข้างผมในวูบนึ้นผมไม่รู้ผมเลยซอกหาคนมันก็เลยไม่เห็นและจะมองหาผมคิดเหมือนกับไม่เห็นตัวครับผมก็เดินไปเดินมากลับไปกลับมาอีกนิดเดียวครับทางเดินจมกลมผมประมาณจักสามวาขวานี่ครับคล้ายๆคือวูบขึ้นมาอีกผมก็รู้เอ๊ะผมคิดแล้วอันเนี้ยผมรู้อย่างนั้นก็คอยดูแต่ยังไม่รู้สถานที่ที่เกิดจริงๆครับ เดินกลับไปกลับมาครั้งที่สามนี่ยผมรู้จริงๆครับโ อ, โอ้มันอยู่ที่ตรงนี้เองความคิดเนี่ยผมก็เลยทําเหมือนแมวกับหนูครับคอยดูอยู่เนี่ยแมวเป็นแมวครับตัวสติเรียกว่าคอยดูนั่นเองครับตัวหนูมันก็มาก็เหมือนกับตัวความคิดนั่นเองพอได้มาคิดปุ๊บผมเห็นปับ๊บมันหยุดทันทีครับอันนี้แหละครับผมก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นวิปัสสนาจริงๆครับอันนี้ วิปั ส, สนาเป็ว่าลู่แจ้งลู่จริงลู่แจ้งลู่จริงก็ต้องต่างเก่าล่วงภาวะเดิมล่วงภาวะที่อันตำหนับตําลาล่วงจริงๆครับเรื่องนี้ดังนั้นผมจึงกล้ายืนยันรับรองคําพูดของผมเองว่ามาันไปตรงเอากับคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, าสอนอย่างนี้จึงจะสิ้นทุกอย่างนี้สอนอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้สอนอย่างนี้จึงจะรู้อย่างนี้ผมเข้าใจอย่างนั้นครับดังนั้นที่ผมได้ ศึกษาเราเรียนปฏิบัติมานั้นดีเหมือนกันแต่ผมไม่มีปัญญาผมไม่ซาบซึ้งตอนที่ผมซาบซึ้งนี่ผมไม่ติดไม่เกี่ยวข้องกับตําราแต่ตํารานั้นผมยกย่องเอาไว้แต่ผมไม่ติดเพียงแค่ตําราเท่านั้นอย่างที่ผมพูดเดียวนะที่ไปปองอับดานั่นก็เหมือนกันไปปองมันทําไมหยุดมาแล้วมาก็แล้วกันเท่านั้นเองกิเลสก็เหมือนกันเราไม่ทํานี่ยก็แล้วกัน เช่นมาภูบุรีเราเนี่ยเรารู้จักว่ามันเป็นของไม่ดีเล่ายาปาแป้งเที่ยวกลางคืนกับกรสอนไปทำไมมันยังเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ผมพูดความจริงเนี่ยผมไปแสดงธรรมที่เลื่อนจําครับเป็นมหาปรเลียนยังไปติดตารางอยู่เนี่ยครับเม็นมหาปรเลียนยังไงกันอย่างนี้ผมไม่เคยติดตารางเลยครับผมพูดอย่างนี้นี่บวชมาแล้วเป็นมหาปรเลียนแล้วยังไปติดตารางได้เนี่ยครับนี่เรียนอะไรกันเนี่ยอันนี้มันเรียนผู้ตอนนั้นเองคําไม่เอามาปฏิบัติครับ เลยครับปกวงตรงเดี๋ยวนี้ครับท้าที่สุดนี้ผมได้นําธรรมะที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเล่าให้พวกเราได้ยินได้ฟังมาเป็นเครือ่องเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมวินยัยและคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้พบได้เห็นได้เข้าใจและธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้า ได้เป็นพระเจวนนั้นให้พวกเราได้เข้าไปสัมผัสในชีวิตหรือเวลาันใกล้นี้จงทุกทุกคนเถิด <c oughs> หกโมงพอดีก็ได้จังหวะรถที่จะรับไปบินทบาทก็มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปบอกวัดเก็บวัดให้เรยีรยบรย้อยเสียก่อนเอาเข้าวต้มหนุนทองสักนิดหนึ่ง เขามากไม่ได้แต่เดี๋ยวจะฉันไม่ได้แต่หลวงพ่อท่านพูดบางคำนี่ก็ฟังบางทีก็จะไม่เข้าใจเพราะนั้นผมถึงพยายามจำจดจำแล้วก็เอามาขยายความอีกทีหนึ่งสำหรับบางท่านคือขยายความให้อย่างเช่น เวลาเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาท่านบอกว่ากำลังเดินหรือว่านอนเพื่อให้เป็นเครื่องสัญญากระซิบเข้ากับหูเขาเรื่องการปฏิบัติธรรมะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของคนทุกๆคนโมยกเวนจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นไทยเป็นจีนเป็นฝรั่งอังกฤษเป็นอเมริกาเป็นเขมรเป็นคนยวนเป็นคนลาวเป็นคนซาตต์ใดก็ตามสางนุ่งผ้าสีอันใดก็าตามคือศาสนาใดก็าตามต่าง <c oughs> ถ้าปฏิบัติให้จริงจรงแล้วคนทุกไปได้คือกันบบยกเิจ เดี๋ยวนี้เราไปถือมั่นไว้อันหนึ่งคือถือศาสนานั้นถือรทธิอันนั้นบวชหรือบบวชถือศีลบบถือศีลเราไปยึดไปถืออยู่กัน <S <S <S เมื่อพูดถึงตอนนี้อันนี้โบเป็นอวดดีอันนี้เอาความจริงมาเล่าสู่ฟังเป็นประวัติผมเคยบวชเป็นเนนอายุสิบเอ็ดกว่าปี เมื่อบวกเข้าไปแล้วก็มีสอนกรรมฐานให้เรียกว่าหลวงนาคาว่าหลวงหน้าเนี่ยก็เป็นเสื้อถังแม่เป็นผู้ใกล้คิดบวชเข้าไปเพื่อนสอนให้ภาวนาพุทโธนี่แหละหายใจเข้าให้ว่าพุทหายใจออกให้ว่าโธนั่งขัดสมาธิ <c oughs> เรียก ว, ว่าขัดธรรมเพชราระเพ้าควัน นั่งเป็นนานๆแล้วมันเลยบุคคลเมื่อมันหลับตาภาวนาหายใจเข้าให้ว่าคุดหายใจออกให้วาโธให้เว้าถึกลมหายใจนั้นอันนี้ผมทําอยู่เป็นเวลานา น, านพอสมควรจากนั้นมามีอาจารย์มาจากทางภาคเหนือคนหนึ่งมาสอนว่าการขึ้นไมจ้จะขึ้นไปบัดเดียวกว่าไรมันต้องขึ้นไปตต้นโตธิพลวถ่าให้ฟังเขึ้นมาสอน ให้นับหนึ่งสองสามถึงสิบแล้วก็นับเต็มสิบลงมาให้ถึงหนึ่งนับเต็มหนึ่งไปถึงยี่สิบให้นับตั้งแต่ยี่สิบมาถึงหนึ่งเพิ่งก็สอนให้การนับนั่นก็คือการหายใจเข้าก็ให้วันหนึ่งหายใจออกให้วัาสองนับไปตั้งแต่จนถึงยี่สิบเมื่อนับถึงยี่สิบกลับมาถึงหนึ่งแล้วก็ให้บาเด็หนึ่งสองหนึ่งสองยู่ตงซั้น อันนี้ก็ทำมามาพอสมควรจากนั้นมาภาวนาสัมมา阿ะหังอันนี้ก็ทำมาต่อจากนั้นมา <c oughs> ผมมาทำพองยุบสมัยมาทาพองยุบนี่ผมมาที่จังหวัอด อ, ดอุดรมาเที่ยวเลยมีอาจารย์สอนให้ให้ไปทำพองยุบเวลาหายใจเข้าห้ว่าพองหายใจออกให้ว่ายุบ วิธีนี้ก็ทํามามากพอสมควรการรู้สึกว่าดีทั้งหมดนี่เล่ามานี่เป็นวิธีอานาปานาสติทั้งเมื่อเพราะอานาปานาสตินั้นครูบาอาจารย์เคยบอกมาว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกอยาวให้รู้เข้าออกให้รู้เข้าสั้นออกอยาวให้รู้เข้ายาวออกสั้นให้รู้แล้วการลมหยาบลมละเอียดให้รู้อธิพจน์ส อ, น, อนนั่นเอง วิธีเหล่านี้ผมทําแล้วได้ขมสงบครับขมสงบนั้นก็นสบายอยู่ซื่อๆนี่นะครับโมมีปัญญาสําหรับผมผู้อื่นที่มีปัญญาแท้ผมกระโลงขุ่จักันนั้นวิธีเหล่านี้ทําแล้วแก้ขมโกดขมโลขมหลวงโบได้โมเห็นแจ้งบมรู้จริงผมเพียงแต่รู้จํารู้จักกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้มาซื่อรู้รู้ได้ จำได้แต่ว่มโกดค่มโรควมหลงนั่นมีอยู่ท่อเกา่าในขณะเมื่อไปนั่งอยู่ห้องกรรมาฐานนั่งอยู่ผู้เดียวนันเน่ะโบกโกดจริงเพราะมันนั่งแล้วมันสงบเนี่ยครับและมันก็หลับไปกระด้วยนี่แหละบางค้งบางข่าวมันบู้เมือำํำทำไปนานๆให้มันสงบเกิดเป็นตัวแข็งเขาครับ วิธีทำตัวแข่งผมกล้ายืนยันรับรองได้ครับสอนได้ไม่เกินสามสิบวันทำจริงๆนะเดี๋ยวนี้ครับนี่ผมทำจริงๆครับผมทำเป็นในบุตรเวะเว้าซื่อๆด้ยครับผมสามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้และก็สามารถที่จะแก้ปัญหาอนันต์ได้ครับเมื่อผมบวชเข้าไปใหม่ๆเจ้าคณะพระเสียงคารพระครูวิสิตธรรมจารย์ เพิ่นเป็นอุปาสรมีพระไปจากจังหวัดอุดรคนหนึ่งไปสอนอยู่บ้านหนาน้ำมันพวกผู้หญิงขเจ้าต้องการอยากได้ความสงบเพราะผู้หญิงนี่สอนง่ายกเนน็เป็นน้องเป็นพี่เป็นลูกเป็นหลานเพื่อนั่นแหละไปทํามันในเคลดสงบเมื่อสงบแล้วมันเป็นตัวแข็งครับเมื่อมันตัวแข็งแล้วบางข้างบางขาวย่างไปให้ไปนา ก็ไปแข่งเครื่องกลางกัมมีข้าเจ้าเป็นกันแล้วนั่งอยู่กับแข่งกัมมีพ่อเป็นเพ้นรับเรื่องนี้เพิ่นเลยให้ผมเพิ่นถามมาแก้เป็นบอสเป็นครับว่าเพิ่นเลยพาผมไปไปเปิดอบรมอยู่บ้านนาน้ํามันครับข้เจ้าก็ไปนั่งอาณาปานี่แหละครับนั่งเล่นมาแข่งผมปล่อยข้าจะเหตุลองเบิงวันนี้ผมไปแก้ครับวิธีแก้กระบยยา เขาเบิ้งขาเจ้าขาเจ้าดูลมหายใจหายใจมันสั้นเข้าสั้นเข้ามันละเอียดเข้ามันละเอียดเข้ามันเลยหลงโตครับมันหลงต้นลมหายใจหลงปลายลมหายใจมันไปติดอยู่ปลายมันมันไปติดอยู่คมสงบเมื่อสงบแล้วมันก็เลยสงบทํำขมรู้สึก น, น้อยเบาๆครับวิธีนี้ผมทําวันนี้เฮาจีบอยากให้มันสงบก็เลยทำขมตื่นตัวครับ ก้อนผมที่จะแก้เรื่องนี้ได้ผมไปทำผมตื่นตัวอย่างที่ผมทำผมพลิกมือขึ้นคั้ว ม, มือลงเฮ็ดจังหวะนั่นแหละครับที่คุณอย่างทุกนี้คุณจังหวัดสุมพรมาเห็นผมเฮ็ดเราก็เนื่อเอาไปทำเป็นบล็อกเป็นรูปแบบเอาไปพิมพ์ครับ ก่อนที่ได้หนังสืออันเล่มเห็ดรูปแบบเห็นนะครับการที่แก้ปัญหาเรื่องนั้นขาเจ้าน่งอยู่แล้วหัวนดฮี่ปุกนิบเอินเอาจะไปเบื้อ ง, งสั้นแหมกับมือตาขึ้นเบื้องควัมตื่นตัวไปไหมฮาวายัางสั้นบวกเกินสิบเทือยี่สิบเทือดรอครับว่าอย่างนานแต่ผมเข้าใจว่าสองสามเทือกตื่นตัวแล้วแล้วก็มีพระอีกตึมองหนึ่งไปจากจังหวัดอุดรครับ กับบได้ว่าผู้นั้นทุนี้ครับท่านมีความโลภท่านเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์ครับพระท่านทำเลขจี่ออกมือนั้นจังสันจังสีไปยุ่นําผมผมว่าให้อย่าให้จังสันให้จังสันมันถูกน้อยมันโบถูกหลายถ้าโพสเอีกอย่างนึงมันผิดผมเข้าใจอย่างสิมันโบเปลี่ยนทุกครั้งทุกครามันเป็นมายามันลอกลวงครับ ถ้าพูดถึงอาบัต์ส่วนยาบก็เรียกว่าเป็นอาบัตปาราสิตพูดอวดอุตตริมนุษสาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนครับไปหาบหุโโจกักอาบัต์ต่างๆนี่หโโาบุหุจักครับท่านไปทำยู่ผมก็เลยว่าห้ยาเฮ็ดท่านก็ฟืนฟ่นเฮ็ดฟื่นเฮ็ดก็เลยเป็นไปมาลำมาลอยได้ว่าขึ้นมันสมองก็ได้ครับ อยากบอกคนมือหนึ่งทันเห็นเลกรางวันเห็นท่าน ก, ก็บอกให้ลูกบอกให้ลูกสิษย์ลูกหาท่านนั้นไปซื้อเขียนจดหมายไปให้พี่ให้น้องไปซื้อมันบดถูกครับมันโแเบงของจริงง่บเบงของแพร์นี่ครับตอนนี้ก็เลยมาว่าเรื่องผมปฏิบัติครับผมรับรองคําพูดของผมเป็นเส้นนั้นครับ บแม่นผมอวดดีได้ครับบ้แม่นผมเอามาคุยเอามาเว้าอย่างมาเว้าสู้กันฟังผมไปเจริญสติแบบง่ายๆครับอันนี้โบ่หลับตาวิธีผมเฮ็ดมานั้นผมได้ผมสงบได้แท้ๆครับแต่ผมก็ยังรับรองบ้ได้ว่าผิดผูกผมรับรองบ้ได้ข่าวนั้นตอนผมไปทำนี่ผมไปนานมือครับผมไปจ้างข้เจ้าปุกกระทอมน้อยให้ อยู่ที่อำเภอสีเจียงใหม่ครับเมือ่อแปดคาแต่ป ก, กติมันกรหลายมือให้คนโยนปลุกให้ครับเมื่อแปดคำหมาก็เลยไปขอกรรมาฐานจากหลวงพ่อวันทองเป็นคนอำเภอธําบออายุเจ็ดสิบกว่าปีที่เป็นอาจารย์สอนอยู่หันครับที่ผมได้ฟังเทศไปแต่แต่ก่อนๆคุได้ฟังเทศจากมหาสิจันมหาสิจันนี่เป็นเพื่อนกับผม เป็นคนที่ทุกกันฮักแพงกันเพราะผมเป็นคนเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่กับแม่นําโขงครับสมัยนั้นผมมีเหงือทอและต่อจากเหือทอมาแล้วผมมีเรือกลอนไฟลํานึงครับขันวาจังซีเจ้หาว่าอวดโตกันจีวามันมีจ้าไหนก็ต้องเวาวจังซีสู้กันฟังครับมหาสิจันเนที่ยวไปนํากันมานํากันอยู่ก็เลยถามกันเพราะผมก็เคยทํากรรมฐานครับ เราสู้ฝังลมสนทนากันตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าลาวะขันยักฮู่ต้องมาทำเอา ว, ว่าลาวะผมคิดยุบเป็นเวลาสองปีครับผมโบเซเสื้อคนง่ายปัญญ์ครับคิดยุบเป็นเวลาสองปีกลัวคนละก็เลยมาลงมาบัดลงมาเนี่ยมหาสิจัน์บรได้อยู่ครับมหาสิจันก็เลยไปจําพรรษาอยู่หลวงพ่อบางก็เลยเป็นหลวงพ่อวันทองเป็นคนสอน ก็เลยไปขอกรรมฐ า, านจากหลวงพวันทองมีความเข้ามีความออกกรรมฐ า, านคือกันกับเจ้เก้าพุ่นล่ะครับผมเข้ากรรมฐ า, านเจ้าเข้าก็มีความขอแล้วก็มีความออกเวลาเดินจงกรมไปทางนั้นทางนี้ก็เฮ็ดอย่างสั้นเฮ็ดอย่างซีนั่นแหละครับท่านสอนให้ผมภาวนาตายครับท่านว่าหายใจเข้าก็ให้ว่าตายหายใจออกก็ให้ว่าตายแล้วท่านก็นสอนทำอิ่ผมเฮ็ดอยู่มื้อนั้น ประมาณจากสองชั่วโมงนะครับมันเกิดมีสองคนขึ้นมาอยู่ในใจนี่ครับเฮ็ดไปเฮ็ดยังอันเนี้ยได้ประโยชน์มีอย่งสัเพหวัติก็เลยคานครับเกียรติคานนอนลงพอดีนอนลงไปหัวฮอสมอนสัพเพหวาอีกซคงพูดหนึ่งแหละมึงมานอนหรือเพอร์หวัมึงมาจะไห น, นสัพเพมันขึ้นมาแล้วบัดเนี้มั่นขึ้นมาเพราะมานนางมันเป็นเยื่อแข็งครับบุ้งหวจักบ้าครับ เขาวนั้นผมเป็นบ้าครับแต่ผมเป็นบ้าที่ไปเฮ็ดเยี่ยนะครับมันบ้าบ้าบุหุ่นจักอันบุหู่จักนี่ก็บ้าอันหนึ่งเลยครับอยากเข้าใจว่าเขาเป็นคนดีลอยเปิดเส้นโบแมนครับแต่ผู้อื่นที่เป็นเฉยๆผมบุหู่จักเมื่อผมหู่นจับนะโอ้เราบ้าเด้บ้าบุหู่จักบุหุ่จักความคิดตัวเองแล้วก็เลยทําไปประมาณจักสามทุมสี่ทุ่มก็เลยตัดสินใจนอนครับ นอนเมื่ออื่นนี่เขาจะเอาเมื่อเต็มที่และวะสันจากที่เหตุเนี่ยบุหัวจ้างนึกในใจว่าจะเอาเต็มที่วะสันก็เลยตื้นมาตีพอปันเฮาตื้นนี่นะครับตีสามอ้วนี่แหละหรือตีสองนี่นะผมก็เลยมาเฮ็ดจังหวะนะครับเดินจงกรมเฮตุจังหวะนั่งเฮตุนอนเฮ็ดยืนเฮ็ดเฮตุจังหวะครับเวลาเดินจงกมรมนะทบอเห็ุจังหวะเอามือกอดออกไว้จนห้ง พงหมาก็ทำมดมือเมื่อนั้นครับกับนอกจากเวลากินเขาเท่านั้นครับเข้าห้องซ้อมห้องน้ำกำหนดได้มดทุกแง่ทุกมุมกินเขาผมก็กำหนดเขี้ยวคำเข้าเกินเข้าลงไปผมก็กำหนดเพราะมันเคยทำแล้วเนี่ยครับเรื่องกำหนดลูเนี่ยครับเคยทำแต่เมื่อเฮ็ดเป็นเนินคนนะครับนางกังไงเมื่อนั้นจนถึงคำอาบน้ำนะครับมาเฮ็ดอีกเติมเป็นเมื่อเก้าคคำเมื่อนั้นครับ นอนอิตมเติมเติมมาเมื่อนอี้เป็นเมื่อสิบคำเตินมาก็มาเฮ็ดจังหวะเดินจมกลมนี่แหละครับพอสว่างพอปานนี้แหละครับเดี๋ยวนี้พระันสว่างเถอะครับประมาณตีห้าหนี่แหละข้านั้นเป็นกลางพรราคร่ัมันก็สว่างนานผมนุ่งกางเกงขาสั้นครับแมงงอดขันเอิญแมงงอดบางคนอัดจิรู้หรือบโบลูกับหูจังขันว่าภาษา ส, ส่วนใหญ่เข้เจาจะเอิญแมงปองครับตกเสื้อขาผม เป็นแมงงอดไม่ลูกอ่อนเป็นเป็นแมงปองไม่ลูกอ่อนครับตกเสีขาปุ๊กนึงผมนั่นเลยเลยเผอรโตไปครับแล้วไปเบื่งแมงงอดมือก็เลยบว์โบนเอี่งโ บ, บตีนครับพอดีผมเบื้งแมงงอดโอ้แมงงอดเอ็งยังโบตอดขาโตน้อวะสันโบตอดขากูว่าสัน อ, อันเว้านะครับนึกพิจารณาแมงงอดแต่ก้อนผมหัวจักรูปนามนี่รูปที่ทตาเห็นวะสัน น้ำนั่นคือสมมุติขึ้นมาว่าน้ำอังสันกูบาเพิ่์นสอนอังสันนะครับตาเห็นเป็นลูกลู่ว่าลูกเป็นน้ำอังสันคือย่างกาหน้าก็คือกันเฟิรนสอนกาหน้าเนี่ยเป็นลูกอันคุณค่าของมันก็คือสู้น้ำมากินอังสนันเฟิรนสอนอันนี้เฟิรนดกนาสอนอันนี้นื้บอลบเมีนครับบอลโบเมีนเรื่องทุกขังอ น, นิจจังอนัตตาเฟินกนสอนเมดครับทุกทนไม่ไหวเจ็บหัวปวดท้องผมงอกฟันหัก เมื่อหนังนี่มันแห้งมันยานไปพึ่นสอนอย่างสันครับอัตว่าโซเพอร์นี่พึ่งสอนเมิดครับเพราะว่าสอนกรรมฐานครับพึ่งก็สอนแต่ตันหน้าเกียรติหน้านายพิจารณาเห็นตับไตไฟปอดเพึ่งหนักสร้างเราไปหลายเรื่องครับข่าวนั้นก็เลยโ่เอามาเว้าลครับเรื่องมูลนะั้นก็ที่มาเว่าเรื่องความจริงใจนี่เลยครับพอดีผมพิจารณาแมีงอดนั้นรู้จักรูปนามขึ้นเอ๊ะเมีงอดก็เป็นรูปเป็นนาม ขาเราเนี่ยก็เป็นรูปเป็นนามผมเรลย ม, มาพลิกมือบันพลิกมือขึ้นข้อมือลงยกมือไปเอามือมากืนน้ำลายไปในลาขอผมก็เอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพลิกตาเป็นรูปเป็นนามมดครับอันนี้หัวจักรูปหูวจักน้ำหัวจักรูปทำนา้ำทำหัวจักรูปโลกน้ำโลกอันโลกนี่มีสองอย่างจะแบ่งไว้เลยโลกอันหนึ่งฮันเจ็บหัวปวดท้อง เป็นไข้เป็นหนาวนี่ต้องไปโรงพยาบาลให้หมอเอายาให้ไปกินรักษาหายนน้โลกสนิดหนึ่งนั้นหมอรักษาบอดาคือคมโกดคมโรคคมหลงนี่แหละเป็นโรคสนิดหนึ่งวะสันอันนี้ต้องศึกษาธรรมะแบบพระพุทธเจ้าว่าสั น, นรู้จักเป็นพักเป็นตอนไปอย่างที่ไหนครับเนี่ยก็เลยรู้จักทุกขังอ น, นิจจังอนัตตารู้จักจริงๆครับมันเนี่รู้มาจากจิตสํานึกจริงๆ ขันธิว่าก็ ว, ว่าเน้นญานของปัญญาก็ได้เรือวปัญญาญานก็ได้หรือว่าวิปัสนาปรากฏเกิดขึ้นมาจากจิตสํานึกก็ได้ครับอันตัวทุกขังอนิจจังอนัตตา น, นั้นคือตัวหาว่าบัวู้จักกําหนดรู้อันอริยาบถนี่ครับตัวอิริยาบทนี่เลยครับเป็นตัวทุกข์ครับผมหู้จับมาสั่นตัวอนิจจังก็คือกันตัวอนัตตก็คือกันครับผมรู้จักนั่งสิรู้จักซึ่งที่จริงๆครับซึ่งผมบบเสื้อไผ่ทั้งเมด โบเสือขคูบาอจังสอนผมกระโบเสือครับผมโบยู่ในกรงกอบคือนกขังอยู่ในตุ้มนะครับผมโอยู่แถวๆอยู่ในกอบอันนี้ผมออกนอกกรงได้ออกนอกตุ้มได้ผมโบยู่ในถ้าอั น, นไหนใ้แถวครับคนที่โบมีความสํานึกยังออกนอกตาบบําลาโบได้ซื่อว่าคนอยู่ในถ้าอันนี้โบไม่ผมจิตมาเว่าว่าทำลายตาลาเด้ครับผมว่าคผมจริงใจอันนี้ครับ เมื่อรู้ทุกครังอันนี้จากอนัตต า, าแล้วผมรู้สมมุติครับสมมุติที่มีขึ้นในโลกนี้ผมรู้จริงๆครับการบวชการศึกนี่ผมรู้จริงๆพระพุทธรูปนี่ผมรู้จริงๆาศาสนาพุทธศาสนาผมรู้จริงๆครับอันนี้รู้จริงๆแท้ๆนี่เนี่ยตัดสินใจโลดบาเดียวปุ๊บโหลดครับาศาสนาบ่ได้หมายถึงวัตถุทั้งมดครับหมายถึงตัวคนคือทุกคน่นเป็นตัวาศาสนา ผมเข้าใจอย่างสันครับพุทธศาสนาคือตัวสติตัวปัญญาเข้ามารู้นี่แหล่ว่าสันมันเู้จักอย่างสันครับผมจึงว่าศาสนาคือคนนางจกปกเย็ดเป็ดอยู่นี่แหละตัวศาสนาขันติด่าคนมันระบา้าสไปฆ่าคนมันระบาสไปตีคนมันระบา้าสคุณเข้าใจอย่างสัน simples. บาปคือยั้งวัดสันมันเนี่ยบาปคืองโง่นั่นแล้วงโง่ น, ง น, งโนั่นแหละจึงเหตุเทิงสันโง่นั่นแหละจึงไปตีคนงโง่นั่นแหละจึงไปด่านคน โง่นั้นแหะเกี่ยวกหลักของคนไปอิจฉาลิสยาคนอื่นก็โง่นั่นเนี่ยยังไปเหตุทังสันบุญเด้ว่าสันย่อบุญก็คือฮู้นี่แหละว่าฮู้เล่นไป็นย่อบู้เล่นมันดีใจมันโมงโง่สันมันสลาสันผมรู้จกักสันจริงๆครับมันในขณะผมรู้นะคายคายคือเขามีต้าน้ำปุงครับผมสมมุติจะเกา่าผมสมมุติอะไสมมิเข า, เ ห, าเหิ้วต้าน้ำปุง๋งเต้เาน้ําเต็มใส่เต้าปุงนะครับ ตันนี้เขาเหี้ยไปเสื้อมันลูดคอมันต้นน้ำปุ๋มมันคอกิ้วเนี่ยครับตกพวกมันแตกโดนต้นน้ำปุ๋มน้ามันกระจายออกไปหมดนั้นมันท่วมไปหมดรลดครับโอ้คําสอนของพระเจ้านี่สร้างไป็นองนี้นาะว่าสันผมเลยเลิกได้ครับอันนี้ว่ากลุมจริงเนี่ยเลิกผมติดบุรีเนี่ยว่าข่าวนั้นผมเห็นทุกแล้วผมเลิกได้อาเจียนออกมารลดครับ เลิกบุรีเลิกทุกแง่ทุกมุมให้ว่าผมเลิกเป็นคนใหม่เมื่อนั้นนะครับผมเป็นภิกษุได้มือนั้นครับเมื่อสิบคำตอนเสารครับโอ้ภิกษุแปลผู้เห็นภัยมันเห็นอันนี้ตั้งห้าเด้อว่าสันผมจึงกล้ายืนยันรับรองอันนับบวชกับภิกษุนี่คนละอันกันครับจะหากแม่นอันเดียวกันแต่หากคนละอันกันครับอันภิกษุนี่มันบ่าได้กาหนดอย่างนี้นะครับมันว่แถวหัวกก็เป็นผมต้อ ผมตัดผมผมว่ได้จงผมยาวตู้ตู้ตาตาคือย่างเดียวนี้ครับสมัยผมไปแต่ผมกระตัดผมธรรมดานี่นะรู้ <c oughs> คือกันครับนุ่ง ก, การเกงขาดสัน้นในขณะเมื่อ ม, มันรู้เรื่องนี้ครับแต่ผมผักซอบนุ่ง ก, การเกงขายาวครับผมเลิกได้เมื่อสิบคาตอนเา้าอันนี้ครับเรื่องที่เรื่องเทวดาเรื่องนรกสวรรค์นี่ผมรู้จริงๆครับนั่นนี่รับรองได้ลอยเปิดเซ็นคัะนะมีสองรอยกับจะรับรองสองรอยคนเดียวครับ อ่านผลวัดสองร้อยได้ยอย่างเป็นเต็มร้อยเปอร์เ็้อสังกัดจิตลับเรา่าสองร้อยกับเต็มร้อยได้คือกันครับบ่มีวิวมีแหวกครับอันนี้แท้แต่ผมอยา่าบุ้งจากผมคิดของผมตอนนั้นพอดีรู้มาแล้วตอนเซาหมามันคิดมากครับคิดรู้อันนั้นรู้อันนี้รู้ไปพอใไต่้ําใต้ดินรู้ไปเมืดครับดอันนี้รู้ไปห้องนอกโลกครับอันนั้นผิดแล้วแบบ น, นี้มันยักลืมโตครับไปติดข่มหู อันนั้นเป็นกลมหูของวิปัสสนาครับแต่ในขณะผมเป็นวิปัสสนาผมบูรูจริงๆมันเป็นภูมิใจในกลมหูอันนั้นครับคือมันอันเมื่อผมนั่งอยู่มันอยากนอนกับมันเกียร์านั่นแ่ะมันน่ะไปติดอันนั้นมันระบุรูจักครับมันคิดมาผมภูมิใจบางครั้งมาเขาเทศให้เทวดาฟังครับเทศอยู่ในใจเทศผู้เดียวครับมันสร้างเป็นปานั่นแ่ะกูจะไปสอนคนในโลกในรูนั่งกูมัดทุกคนคุณอ่ะมันคิดนะครับ คิดถึงพ่อถึงแม่ผู้ตายไปนั้นน้าตาไหลอยู่ครับสงสารแม่มดน้อยๆผมก็สงสารครับเพื่อนมนุษย์แํากันกนี่ผมคิดโอ้ยพันธุ์จิมารูเดะว่าสันยี่งงมงายให้ดังสันอยู่บนน้องว่าสันผมคิดอยู่ในใจผมเห็นคนย่างไปก็สงสารข้าเจ้าน้ำตาไหลอยู่ครับเป็นสันนะครับมันเกิดปีติอันนี้พอดีมีปีติมากๆกับปีติมันมากเนี่ยครับ วิปตนูาเขามาก็เลยบุหงมือบุหงจับน้อยครับตอนนั้นพอเดี๋มือแหลงครับผมไปอาบน้ําอาบน้ํากับมาพัดเปลี่ยนผ้าแล้วก็มาเดินจมกรมครับมันมีต้นหมากทันบ้านผมเอื้นต้นห ม, มากทันมากพุทธสานะครับเอืน้นหมากทานบ้านผมแต่ต้นคอยนั้นบ้านผมเอืนนกกน้นต้นหมากฐานต้นพ่อต้นสมพอกับต้นหมากทานมันตรงกันครับมันก็มีหฮมมันเป็นทงนาครับ มาเดินกลับไปกลับมาเดินจมกลมคล้ายๆคือมีคนมาสุก ข, ข้างผมนี่นะครับคันว่าเออซุก น, นี่อาจิโบลูจักผักดันบอกหรือว่าจิวะจงไหนกัฟังเอาไปที่เจนาเองครับตอนนี้อืมยุดหนึ่งเอ๊ะมันคิดมาจะใส่ผู้ใดมาสุก ข, ขูเนาะท่านเบิ้องบนเห็นคนแล้วครับเพรมื่อบุมีคนเนี่ยครับผมคิดมันเกิดขึ้นมาครังนั้นผมหัวจักเพียงแต่ว่ายุดตัวที่ผมหัวจับ เพรมันเป็ น, น, นทาง่อนในแท้บ้บานนี่มันคิดวูบขึ้นมาอีกคำคิดสองเนี่ยอ๋คิดแล้วแท้นีิว่าท่านหักอยังบูรู้จักสถานที่ต้นเหตุกําเนิดที่เกิดของผมคิดผมบู๊เขาจักแท้ๆครับบ้านมันคิดที่สามเนี่ยผมรู้ครับรู้จริงแท้ๆนี้รู้แจ้งรู้จริงเลยครับผมเป็นสิบันรู้จำรู้จักคือผมว่านี่บ้าแมนครับมั น, น ผมยังเอาชนะคมโกธรควมโลภควมหลงบอได้ตอนเศร้ามาจนถึงเมื่อแรงพี่นะครับตอนผมเห็นความคิดนี้แล้วผมโอ้ยวะท่านอันคมโกธรควมโลภคมหลงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่า น, น, เ, น, านเป็นอย่างนี้ตีว่าะท่านผมเข้าใจแล้วทัานอันนี้สมมติน้ําหนักผมร้อยเปอร์ร้อยกิโลให้ไว้ใจครับน้ําหนักร้อยกิโลอย่างน้อยที่สุดผมเอาทิ้งเด้ยวหกสิบกิโลวะ่าน เบาว่งขึ้นมาแล้วโอ้ยขมโกดขมโลขมหลงนี่มันบ่มีว่าสันตัวไปยึดไปถือเอาซื้อว่าสันหู้จักต้นเหตุมันจริงๆครับอันนี้ขันว่าตามใจผมในขณะที่ผมเป็นน้ําผมว่าผมสลัดทิ้งแปดสิบกิโลยังเหลือจักยี่สิบกิโลเท่านั้นนะว่าสันปานนั่นแหะครับผมจึงรับรองคำสอนของพระพิเจ้าถูกต้องจริงๆอันนี้เรียกว่าสมาธิิของผมอันนี้คําว่าทิฏฐิของผมก็ได้ จิตผิดกับทุกแท้ให้โมเพิรนออกไปที่หนาวเองครับทิศที่แปลความเห็นความเห็นถูกต้องอีกสะด้วยได้ครับคมเห็นซอบอีกสะด้วยกันถูกต้องจิตใจเจ้าของอยากไปฆ่าไปตีอยากไปรักของเขาก็ถูกต้องอันนึงได้ครับคันเห็นซอบอันนึงก็เห็นซอบอยากให้อยากทํากับเห็นซอบไปแบบหนึ่งได้ครับมันเห็นซอบตามใจตัวเองอีกแบบหนึ่งครับ ผมว่ามันเห็นถูกต้องตามคำสอนของพร ะ, ระเจ้าเพาะมันทาลายความลงผิดได้ผิดได้ผมวานี่ผมว่าไปเอาตารามาเวาได้ดีนีนะครับตารานั้นพยัหกหูก็ไปเฮียนเอาแล้วของมันมีตัวหนังสือจาไปแล้วอันนั้นอันผมวานี่ผมกล้ารับรองคาพูดของผมครับผมบ่กให้เทวดามารับรองบอให้ผีมารับรองที่สุดผมบ่กให้พ ร, พระเจ้ามารับรองอีกด้วยนี่นะครับผมรับรองเองคาพูดของผม ทิทุกผมรับรองไปตกนั่นลกตรงกับไปเองไปสวรรค์ น, นิพพานผรงกับไปเองผมบบเอาพระพุทเจ้าไปด้วยแล้วผมโบเอาพอ่อเอาแม่โบเอาเผืไปด้วยทั้งหมดผมไปผู้เดียวครับนี่เลยเจ้าทางสายเอ ก, กันคือไปผู้เดียวเซนโบต้องเอาหมู่เอาคู่แต่หกอยากให้หมู่อยากให้คู่เขจาจับซื้อเพราะเหมือนโบมีทุกข์จริงๆนี่นะครับนี่ผมยังกล้าเ ย, ย็นอย่างว่านักบวชกับพิสูจน์นคนละอันกันครับผมหูจักในขณะนั้นผมเป็นพระได้ในขณะนั้นผมเป็นพิสูจได้ ในขณะนั้นจริงๆครับโบมีอุปสารคโบมีครูบาอาจารย์มาเป็นเออแทะหัวเน้อเป็นทิกษูมาเถอดท่านโบแมนครับมันโบแมนแทะในสมัยพระพุทธเจ้าาท่านจงเป็นทิกษูมาเถออะดท่านทําเลาภล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์หรือจงปฏิบัติธรรมเพื่อทิ้นทุกข์พ้นหนักสร่างเว้ากันอันนั้นพระพุทธเจ้าพ้นเว้าอันนั้นโบเมนผมเว้าอันนะั้ผมว่านี่มาปฏิบัติมูกว่าท่านเห็ดแบบนี้แหละว่าท่านผมเข้าใจอ่าท่น ในระยะนั้นผมจิตใจเปลี่ยนเธอหนึ่งผมเดินไปเดินมากลับไปกลับมาเปลี่ยนวูบสองเธอครับจิตใจผมเปลี่ยนระดับนั้นสองเธอต่อเมื่อแหลมครับอันนี้ผมรับรองได้แท้ครับผมรู้จักเรื่องพระโสดาภาะสกิรภารานี่ผมรู้จักจริงๆครับอันนี้อันปฐมมาสานทูติยาสานตาติยาส า, จ า, านจตุท่าสานปัญจมาสานอันตำาราเล่าได้หนึ่งครับบ่าม่นคงเป็นของเขาเด้ครับ ตัวความเป็นของเำามันผูเป็นอย่านนงสั้นเลยครับ <c oughs> ผมจึงว่าผมออกนอกกรงได้ครับผมออกนอกตํำราไทยผมบดไปเอาหวัวฝังไว้ในะตําราปัจจัยนี่ครับแต่ผมก็เคยได้เรียนน้อยๆเรียนนาลงนาลงนาในคนแปลหนังสนะือได้เพคนเก่งรับเพคนเรียนมูลกระจายจบเพคนไปเรียนอยู่จังหวัดอุบลครับให้ว่านักบวชจุดนั้นกับคนอาจจะเป็นผู้หนึ่งก็ได้ครับในเขตจังหวัดนั้น เพิ谢谢 es, ่นไปเรียนอยู no ่นานครับเพิ่นบวชมาเต้นในน้อยเพิ่นบวชศึกเพิ่นกระแป้ได้เรื่องสดเรื่องน้ำเนี่ยเพิ่นแป้ได้เพิ่นเว้าเนี่ตามความเว้าของเพิ่นเนี่ยเพิ่นหูจักว่าเสียงนกเหมือนเว่าของท่นเสียงนกมันเว่าของท่านมา่ิทไปอย่างท่านมันเพิ่นหูจักว่าแต่ก็รหูจับหากแก้ทุกบ่ได้บ่บีประโยชน์อันะครับมีประโยชน์น้อยมีประโยชน์เอาไปเล่าให้หมู่ฝังซื้อแต่ส่วนประโยชน์ที่เอามาแก้ทุกข์ในเพิ่นบวชหูจักว่าเพิ่นยังสอนผมเพิ่นังสอนครับ ตอนหลวงพระวันทองไปสรอบอารมณ์ผมเพิ่นก็คือจีบโบ้หจักแบบผมครับเพราะจีบหุจักไปแบบหนึ่งในขณะนั่นพระไปปฏิบัตินํากันพระยี่สิบสามลูปครับโย ม, มห้าคนขมลูกโบ้คือกันจักคนครับเจ้าขมลูก ผ, ผมมันผิดมันแวกแนวไปอย่างไดรผมก็บอกหุจักครับก็เล ย, ยซีโบเล่ า, เ ร, าเรื่องขุมลูกของครูบาอาจารย์เอาไปสอบอารมณ์ของกระโบเล่าครับผมสึมาเล่าขุมเป็นของผม และผมรู้จังซีผมจึงยืนยันรับรองที่สอนจังซีนะแต่นี่ไปหาเมื่อตายนี่นะครับและที่ว้าแต่กลมเดียวเท่านี้นะก็กบอกว่าเจ้ากลมเดียวนี่แหละมันก็ต้องว่ากลมอื่นมาแทรกมาสับไปแต่หาจุดหมายไปทางที่เว้าจังซีเว้าเรื่องแต่ก็ที่ให้มันมาควมนี้นะี่นะมันเข้าใจอย่างสั้นครับเดินจมกลมไปมันเบาตัววิววิวเต็มฮักโอลืมตัวเขามันโคมงใจอันนี้ก็ปีตี ปีตีนี่ก็เป็นอุปสรรคอีกตื้เพลินหนึ่งครับปีตีควงอิ่มใจปีตีควงภูมิใจตำลามันเวาไวเพราะฉันผิดเนี่ยผมมันบปทูกกับตำลายคันมันไปทูกกับตำล า, นา ม, มันเริบวไปมันไปนอิ่มใจภูมิใจในขุมลูกของตัวเองอันตัวเป็นตัวมีนะครับย่าติดครับยากไปให้มันมีปีตีจริงๆอันนี้แล้วก็ตามสามผู้ใดแล้วบอห้ามบอกจำผู้ใดใดบ น, นั้นผมเป็นตั้งแต่สาวเออ หลงเมื่อนกะี้เนี่ยตอนเศร้านั้นเป็นวิปัสนากัเป็นปีติกันแต่ปีติตัว น, นั้นแหรงครับตอนเมื่อแรงก็เป็นปีติคือกันผมว่าหลงเมื่อกี้ในบนุญหลงครับผมว่าผมกิมาเว้าตอนปลายเส่นมันเป็นว่าตอนต้นครัว่าตอนต้นตื้มเราเป็นยังตอนเมื่อเมื่อแรงนี่มันรู้จักว่ามันเบาตน้นเบาโตผมจิตใจเปลี่ยนสองเธอครับเบาเป็นปีติพูดใจผอมจะ อ, อ่ อ, อนๆครับตัวนี้มันเกิด รูอันนั้นอันนี้น้อยๆแล้วก็ส่งสารเพื่อนฝูงก็ส่งสารน้อยๆโบคือเมื่อเสาร์นั้นครับอันเนี้มันคิดเนียบเนียนเข้าไปซอดซ่องในตําลับตําราของครูบาอาจารย์สอนให้นะมันเข้าไปพิจารณาโดยแยบขายเลยทีครับคมคิดอ่อนๆอันนี้ครับโบแรงคือตอนเมื่อเสาร์นั้นตอนเมื่อแหลงนะครับผมมาเดินจมกรมกลับไปกลับมาอยู่ พอสมควรคนนอนดึกพอสมควรประมาณจากสามสี่ทุมเนี่แหละนอนครับกระตื้นอีกเติมประมาณสองตีสองหรือ 3, ตีสามเนี่ยเติมผมก็มาเดินจมกลมอีกเติมลางหน้าแปงฟันแล้วก็มาเดินจมกลมสร้างจังหวะคือเฮาเซ็ดนี่เลยครับประมาณตีห้าเนี่ยเติมครับ <c oughs> ผมรู้จักสมาธิส่วนผมเป็นนั่งอันสงบเนี่ยนะครับความสงบนั้นผมจิวมีสองแบบหลผมรู้จังครับสิ่เนี้ก็คือกัน ผมมอรู้จักตอนนี้ครับเพรานว่าสิ่นเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่งงางหนาสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่งงางกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่างละเอียดเอาทันตามตัวหนังสือแล้วครูบาอาจารย์กระสอดยังสันผมรู้จักอันนี้ตอนผมทําลายคผมโคตรผมโลภ ผ, ผ, ผมหลงผมรูจ้จักครับมันกําจัดกิเลสย่งงาง